ในวันนี้มาถึงวั น, นท่านพุทธสาวนิกายชนทั้งหลายโตกได้รับทราบว่าวันนี้เป็นวันฉันท์อย่างไรเราก็เข้าใจกันถิวเผินว่าวันลอยกระทรงก็ไปเชี่ยวกันมีมหากรรมมีเลยมห้เกิดมีลอยกระทรงประวดนางนกพิมารลอยกระทรงกันเกิดปะทกันจงฟังกงฟังนี่ก็ได้บุญนะได้บาปนะ อาบูชาเอาประทัดบูชาพระพุทธเจ้าที่แมน้ำเนรนนมักนาีทะเลทะเลอย่างนี้มันไม่ถูกเลี้ยงไม่ถูกระบบขามพระพุธธทธศาสนาเลยก็พ่อแม่ก็แสนลูกให้จกตประทัดลอยก็ะพงก็สูป่ประทัดถูกตืงนจาเตือก็เสด็จปรทัด ตายก็โสดประทักษ์เกิดก็โสดประทักษ์โสดใจให้ตรงฟังตรงปังนึกว่าอะไรถีอดีายแต่ก็ไหลก็ถีก็ไม่ออกถือมันรูเดี๋ยวนี้ถีมันถึงอยู่ในจิตใจเขาโอนที่เวลามากหลายในยุใหม่สมัยเป็นอย่างนั้นแหละวันสัมพันที่เราวันนี้มีอสองไปเด็นจะเดินที่หนึ่งเป็นวันหมดอายุไข ของข้าว่าผิดากาศเด็ดข้าอาบนำสนหมดอายุในวันนี้แล้วสีดเดือนเต็มที่ท่ทานทั้งหลายได้ถ ว, วายข้ากว่าผิกอากาศจิกกังข้าอาบน้ำสนในวันนั้นสุกห้าทับเดือน8ดวันพระอาสาละห บ, บุคา วันเล่นข้ามก็กบแสดงย ม, มกปฏิหารเตอร์ชรตมันดาก็เล่นถวายผ้าแต่วันพระแต่คับซึ่งผุดผ้พ า, า, าพนิ้แต่ถ้าอาบน้ำเปาถ้าก็ใช้มาได้เวลาสีเดือนพอดีกนวันีย่งนี่ยนะหมดอายุเลยวะถ้าหายก็หายไปถ้าไม่หายต้องถอนแลว้วรีบกลับใช้ต่ออายุเอาไว้ใช้ต่อไปได้ นี่ประเด็นที่หนึ่งเขาหวนเดนที่สองวันนี้วาระอุกาสอันเป็นนิ่งขวัญแสงสว่างจา้าคือสจักรลอยอยู่ในผาตากเรี่อวกลางเดือนที่สองเที่เดือนสัตว์ทสองน้ำนองกระลิเทื่อให้หมดด้วยน้ำผ้านานาชิดไหลมาทา ờ, ้งแต่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดจนตึงบัดนี้ น, นา้ากลางเดือนที่สอง ก็นองแล้วก็ใสสะอาดตกต้นตะกรนใสก็จะนิยมตัดน้าเดือนที่สงไว้ทำยาเอาไว้รับทานต่อเมื่อไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเป็กต้นนยาสำหรับปู่ย่าตายายเล่าสืบกันมาอย่างนี้เพราะน้ า, นา ม, มันใสในกลางเดือนนี้เขาจะนิยมตัดตอนยุคศรนาฬิกาเรียกแพจอดสงบน้าก็หนึ่สงั น้ำน่าสงบเหมือนจิตเะมีสมาธิมันก็สใสสะอาดอย่างน้ำกลางเดือนจีบลองแต่ก็นี่กระโดดอันเขาจะนิยมกักน้ำว่าน้ำในบ้านของโบราณบรรดิตั้งแต่สิโกะไทยมีสงถังทั้งหนึ่งก็ลองนั้นฝนไว้ตั้งแต่เดือนแปดมาถึงกลา ง, งดดเดือนีบลองหมดไปดูฝนก็ได้ฝนเป็นถังเอาไว้รักษาในอนาคต ไปทําล่ใช้นางอีกครั้งหนึ่งก็เตรียงขอแรงลูกหลานชื่อการตักน้ํากลางเดือนที่สองใสมันน้ํำฝนแก้วเลยอย่างนั้นตักเข้าไว้ถังหนึ่งเอาไว้ไปใช้ในความตกทุกข์ยากลําบากในการอดน้ําอดผ้าในนา้นเถคนโบรานเห็นงาไกลมากจนนิยมตักน้ากลางเดือนที่สองเขาว คนโราณก็ยังมีลักษณะว่าคทำย า, ด า, า, ำย า, ดาได้น้ําฝนกลางหาคทำยาได้น้ําฝนที่ตักไว้เดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้แล้วมีตะมูลสารของสกปรกน้ําฝนก็เก็บไว้ใช้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนมาเป็นต้ประการที่สองน้ำพรางดูดีสองเม่สมัยโบราณมันก ต, มตมนาามนกนมาจากทุกเขามีตอ้อนมาปลาบไม้มากมาผ่านต้นไม้มาไมามายา สมุนไายอ่านว่ามนเดินตะขาถาแล้วก็ลงมน้ำมาสู่ตึงวางเิ็นหน้าพอมาสู่ปากน้ำเพอ ล, ลงสู่ใน่น้ำใจขยามันก็เป็นอยา่าอ่านมาหลายมือสู่นานาประการอานมายะยะแล้วก็มาสายสะอาดตกต้นตะกรอนกลั่นแล้วกรองแล้วจึงไก่ไม่กระเพื่อน ให้คุณอู่ต่อไปให้ะจงนิยนกัดตอนเทีย่ยงคืนในคำ่ำคืนนี้ตามยุคตินาฬิกาน้ำจะนิ่งเพราะเรือไม่พายเรือไม่แกวเรือยนก็ไม่มีขน า, น, านั้นน้ำจงนิ่งทุกสิ่งเป็นยาได้เหมือนจิดเรานิ่งจิดเป็นธรรมาที่ไม่โกรธไม่กังวดไม่ปูกพยาบาทใครชนั้น้นำเป็นตัวยาฉะนั้น จิตใจที่สงบก็ เ, เป็นตัวยารักษาโรคกายโรคใจได้โลกกายไม่มีโรคใจก็หมดไปถัาเหนียจังไรก็หมดเพราะจิตใจใสสะอาดมันน้ำกลางเดือนสิบสองเป็นต้นแร่ีนี้เชื่อไม่ได้น้ำกลางเดือนสิบสองก็หมดโอกาสที่จะสะอาดมือแต่ไอลงงานศากรรมปล่อยน้ำโขกปลกลงมาหมดเลยแล้วก็น้ําก็โกปลกมาในกลางเดืองที่สองน้ําต้นนองกรลิง ทุกขิงพึ่งไม่ได้แล้วถึง น, นองทงลางทั้งหลายเอ๋ยอะไรจะสะอาดเาท่าจิตใจของเราเถิดน้าเดี๋ยวนี้สกปรกมากมายน้าในแม่น้าเจ้าพยาพึ่งไม่ได้แลวพึ่งกันไอของสกปรกลามกลงไปในน้าทั้งอุจาระปัสวะทั้งเทศบาล ตลอดตะล้างน้ำที่มันเป็นมูลสารที่สกปรกก็หลั่งไหลลงไปในน้ำเจ้พยาไม่เหมือนแต่ก่อนมาเมื่อก่อนน้ำสะอาดน้าเป็นยาไดา้เดี๋ยวนี้สกปรกจะทำอย่างไรล่ะเี่ประเด็นสาคัญ น, นี่นเราที่เราลอยกระทงนั้นเป็นประเด็นต่อไปเราต้องการจะบูช า, าพระพุทธเจ้าเสด็จที่กรุงศรีอทุธย ตอนที่น้ำมากหลากมามากมายพระพุทธเจ้าก็เสด็จอยู่หักศาสตร์กลางทะเลเราก็ไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่ไกลมากพระองค์ทรงทรงกลมทรงกลมที่ทะเลตายว่าอย่างหนออตายอย่างหนอไปพระบาทห้าร้อยนำมะมุธาณแม่น้ำเป็นต้นณทะเล เรียกว่าสระบาทห้าร้อยที่เราสรวจมนต์ตอนเยน็นทุกวันตวดมนต์ตอนเช้าทุกวันไหวพระบาทห้าร้อยก็คือเราไหวพระบาทก็คือรักษาสิ่งห้าให้มันชัดเจนสระบาทห้าร้อยตั้งแต่ปานาถึงภูลาเป็นตน้นในเชิงากาตามรอยุคโลบราณขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมเด็ธเจ้าได้จึงได้ลอยไปบูชา ในประเด็นอย่างมาใช่เอาประทัดมาจูดเนีบอกสอนลกูกสอนหลานใช่ไหมนะเสายเงินเปล่าจูดประทัดไล่ผีหี่อยังไงเนี่ยเนี่ยตองตังอ่ะจูดกันก็หลอดมาไม่รู้สี่วันมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรคนบ้านนี้ไม่มีธรรมะ น, นี่มาจี้มาจูดตรงข้างวัดเดี๋ยวจะมาจูดตรงนี้นะี่ยระวังนะเดี๋ยวจะมาจูดตรงนี้นะเน่ยเขาจะไล่ผีผีมันเข้ามาในวัดอผีมันนุ่งขาวเป็นแถว เพศเนี่ยไอ้เพศเนี่ยพอจะไล่ได้ไอ้เพศสิงอยู่ในจิตใจของคนเนี่ยไม่มีใครไล่ไม่ใช่กุปตัดเป็นการลอยกระเทนนี่ลอยกระทงมีความหมายอย่างนี้ขอให้อุมาโสริกาจําไว้วลาไปบูชาพระพุทธเจ้านี่ประเด็นประเด็นต่อมานั้นเราถ่ายมูดอาจมลงแม่น้ำพระคุงค่ะอ่อแม่ธรณีเจ้าเ อ, อ๋ยอยู่แล้วรู้ยางสังขารตางโรกังกวิถู ทั้งบุดอุตรละปัจจวะแม่พรณีไม่เคยว่าทั้งแม่พระพายังด่าลมฟ้าพระป้ดินคนเราเนี่ยยั้งด่าฟ้าดินจึงจะมีธรรมชาติลงโทษ ส, สินฟ้าพายพ้ดินพะลมน้ําท่วมแม่พระพายชายพัดเรือนพังไปเป็นแถวๆนี่มีเหตุผล น, นี่ประเด็นนี้ก็ต้องขออโหสิกรรมต่อฝ้าดินแม่ธรณีก็เอออยู่แล้วหรือ ย, อยังสังขากลางโลกลางกระวินทู และก็แม่พะพายชัยคับแม่พระคงคาเออย์ใสสะอาดปราศจากมนต์ทิงถึงแม่พวกเราเราถ้าไมได้แม่พะคงคาแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วเราไม่มีน้ํารับทานอยู่ได้ไหมขาดน้ําก็สิ้นชีวิตขาดคู่ทิศชีวิตยังอยู่ได้อย่างนี้แต่ก่อน อ่านคาทุกทนพุทธบอยศัพททั้งหลายลอยกระทงจึงมีความหมายดอกไม้ติดเ well. ีย no ็นบูชาพระเนบจัยเราไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จะอยู่กลางคะดือดทะเลแม่น้ํานโนนลางสะดือดทะเลนัมณฑีและพระบาทห้าลอยเราเนี่ยไปบูชาเนี่ยกลางเดือนที่สองนี้เขาวาน้ํานองตลิ่นเดือนที่เด็ดน้ํานองเดือนที่สองน้ำทรง ถึง เ, เดือนอายเดืนยี่น้ำเกาลีไหลลงหมดแล้วท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยป่าพคลิกซึน้ําขึ้นลีบตักน้ําลงแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่าความดีรีบทําท่านในวันนี้กันก่อนจะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเหลืเกินนี่ความประวัติเป็นมาพ้องรอยกระทงเปนอย่างนี้ไม่ใช่แต่มีลิเกละครเอานางเทพีเทพามาประกวดจัด น, นี่ข้อเท้จริงมีไม่กี่ข้อต้องการจะ บ, บูชาพระพุทธบาท ลอยพระอยู่โอลบายของเราพระเจ้ากําลังทรงรมอยู่กลางะทะเลฉะนั้นเราจะได้บุญด้วยกุศลไม่จะมากูศลกระปัตชัดกันอย่างนี้กระปัตชัดเพื่อจะไล่พระพุทธเจ้าไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านท่านหรือประการใดก็เห็นจะเป็นเช่นนั้นไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านต้องอยู่ด้วยความสงบ บ้านไหนมีความสงบบ้านนั้นเรียกเงินเรียกทองหลังหหลลังไหลเงิงงเนท อ, องมาสู่บ้านาน่ะเป็นชลิหนึ่งขวัญ ม, มงคลได้การตุบประชด ต, ตุบ ป, ปืนยิงปืนไล่แห่กันอย่างนี้เรียกว่าอาปุถุชนระดับเต้นบาปเป็นกรรมเนี่ยแล้วมาตุบกันในวัดอีกด้วยเต้นบาปเป็นกรรมมากมายเือะเกินบ้านทั้งหลายต้องการเป็นมงคนลชีวิตแก้วสอลูกหลานอย่าตุด อย่าจุดในบ้านในเมืองของฉันแต่ประการใดถ้าต้องการร่มรวยสวยดีมันมีที่อปลุกปลดตรวจพุทธคุณพา ม, มาตาเจริญสัตวรรมฐานจิตท่านสงบเหมือนน้ำใสใจ ส, สะอาดเหมือนน้ำกลางเดือน1ิบสองกำลังนอนตะกรอยสะอาดแวกว่ายธาาคือปลามองเห็นดั่งชัดเจนแล้วนั่นแหละใสสะอาดอย่างนี้ นั่นแหละท่านจะได้บุญได้กุศลได้มหาศาลจะขอสมาลาโทษจากคุณปฏิจจกณากรต่อแม่ธรณีแม่ประคงคาบ้านที่เราต้องบวนเถระบุตรละปัชวะไปมากมายก็ต้องขอสมาลาโทษแม่จ๋าแม่จ๋าเหมือนแม่ประคงคาของเราแม่เหมือนพระพายชัยพัฒลูกร้อนมาแม่ก่อพักวีให้ลูกในอย่างแม่ทั้งนั้น แม่พระคงคาชำนะร่างกายลูกกสะอาดสบายใจยามร้อนยามยากลำบากมาก็หาพระแม่เจ้าแห่งพระคงคาเนี่ยเราก็จะได้บุญได้กุศลในวันร้อยกระทงเช่นอย่างกล่าวแล้วไม่จ่าประทัศน์มาสุดตกแต่ง ป, ประทัศน์ไล่ไล่ความดีออกจากบ้านไม่มีที่ไหนเลยสิ่งหนึ่งขวัญเขาจะอยู่บ้านที่บ้านมีความสงบสามีภรรยาไม่ทะเลาะกาัน เพลียมิ่งขวัญจะอยู่บ้านนั้นตลอดชีวิตขาบานไหนทะเลาะกันด่ากันถ้าเป็นอัปมงคลเพลียมิ่งขวัญจะออกจากบ้านนั้นทันทีจะห น, นีออกไปจะไม่มีมิ่งขวัญ ม, มงคลในบ้านนั้นต่อไปท่านเอาเอาประกาจดระดัเป็นอัปมงคลเหลือเกินไม่เป็นมงคลชีวิตแต่ประการใดนี่เหตุผลของวันลอยกระทงเดี๋ยวเราจะได้บูชาพระอะพระพุทธเจ้าประชามุติสอ จะขอสมาลาโทษกับแม่ประโพง ค, คาบ้างไม่กล่าประทดไปจุดไปขอสมาลาโทษมีลูกมีหลานสอนกันจะมั่งนะสอนกัาจมั่งเวลาสงกลาเราสอนลูกหลานนะเอาน้ำไปสาดพวกกลางถนนน่นได้บุญมากากราบรถไล่เตือนเปียกไปเนี่ยเสียดายเาาราเป็นอุบาสกิกาเต้นหนังสืวันวันอย่าทำบวชหน้าไม่มีแหในเขตที่มากราบไปลูกศิษย์วันวันอย่าทํางานสอบไม่มีกินเล้า ไม่แต่บางเพลงกูสอนให้แม่ในโรงศพนั้นถึงจะถูกต้องถ้าไปยุกศีลอนี้อยา่าทำถ้าไม่ใช่ยกศีลอยนี้ตามสบายเราจะไม่แถมเมตตาให้สัตว์ร้ายโกรได้คาบนัยยะยังกล่าว ม, มาวันนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องรกรรมฐานถ้าวันนี้เป็นวันกรรมฐานวันสะโกรธติดต่อแล้วติดตามฟังวันนี้จะพูดถึงเวลาพิธีฆ่าความโกรธติดต่อจากวันชาติเนี้ย ว่าความโกรธเราค่าได้อย่างไรจะอยู่เย็นประสบประการใดขอท่านพุทธบริษัททั้งหลายติดตามฟังศึกไปณโอกาสบัด น, นี้ขอเจ ร, ริญพรเจริญศุกรโดยทั่วกันณบัด น, นี้ <c oughs> <c oughs> การที่ญาติน้องพุทธบริษัททั้งหลายเราได้มาเจริญกรรมฐานานั้นก็คือมาปฏิบัติธรรมะบำเพ็ญศีล สมาธิปัญญาเท่านั้นเองแต่การประเพณญศีลนี่เราก็รู้เรื่องได้ดีแล้วไม่จําเป็นต้องรับกับพระสมาทานศีลเนี่ยศีลวัวกอดศีลแปดมีกติธรรมัญญะอยู่กับตัวเราเรียกว่ากายานุปัฏนานสิบปฐานเวทนานุปัฏนานสิบปฐานธรรมานุปัฏนาจสิตานุปันาติปฏฐานธรรมานุปันาติปฏฐา น, ท, า น, น, า ท, ฐานทั้งสี่ประการ น, นี้ กายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเลียขวามีมสติกำกับกายก็เรียบร้อยว่าจะจะพูดกบเพราะมีเหตุที่ผลไม่พูดเพศไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเก้ออีกต่อไปนี่คือกรรมฐานที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมออกมาในลักษณะการอย่างนี้เวทนาลุ ป, ปัสนานั้นมีการตรวจเมื่อยหรือทั่วสกลกายเสียใจดีใจ ข้อตอนกำหนดตั้งสติตลอดรายการที่ลิ้นปี่นะกายานุปัสนาข้อตอนนี่ยืนหนอห้าครั้งขอให้ผู้ปฏิบัติทําให้ได้ยืนตั้งแต่กสติปัดทีุ่สละลงสู่ปลายเท้าบางคนทําไม่ได้ไม่ได้ผลต้องฝึกให้ให้ได้ได้โดยมีสติยึดเหนี่ยวปรจิตตลอดรายกาว่ายืนหนอห้าครั้ง ครั้งแรกยืนอภิษฐรลงกลายเท้าให้สติอยู่กับจิตให้ด้ครั้งที่สองก็กำลังปลายเท้ายืนหนอทําให้มันได้หน่อยได้ไหมให้มันได้ปัจจุบันถ้าท่านทําได้ปัจจุบันห้าครั้งเนี่ยได้ผลเลยจะดูคนก็ดูตรงนั้นก็อภิกะลงมปลายเท้าปลายเท้าคนที่ษฐรรมนิสัยดีมาดีมันจะบอกได้ดูการสัมผัสการสัมผัสแล้วมันจะบอกได้เลยว่าคนนี้นิสัยดีมาดีเป็นอย่างไร มันจะอ่านออกบอกได้ใช่เป็นมีตประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทำมากสำคัญผู้ปฏิบัติไม่เอานั่นเองไม่สนใจตาม ท, ที่จะมาสอนเกิดประการใดเลยไม่ได้เรื่องได้ลาอะไรเวชนาบังคับไม่ได้ไมันเกิดเองปวดเมื่อย่วสะโละกายเสียกายดีกายมันเกิดเองแต่เราตั้งสติกำหนดเท่านั้นเองแล้วเมื่อยปวดวสะละกายแล้วก็ตั้งสติกำหนด อดทนต่อการต่อสู้และลำบากกลาบกลาคนลำบากได้ทนกลาบกําได้สามารถทนเก็บใจได้มันเป็นเวทนาทั้งแต่แล้วเราตั้งสติไว้มันก็สามารถจะแก้ไขปัญหาจากเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้นี่เวทนาแล้วเมื่อปวดแล้วก็เลิกเลยมานั่งกรรมฐ า, านเมื่อปวดเลิกเดินจงกรมเมื่อปวดก็เลิกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษา เวลามันปวดเราก็ต้องศึกษาแสวงหาความรู้การปวดนั้นมันจะรู้ว่ามันปวดมากปวดน้อยประการใดอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติมากพูดอย่างนี้กัพูดซ้ำซากมาทุกครั้งแต่ไม่มีใครทําตามนี้แล้วครูบาอาจารย์แนะนําให้มันถูกต้องเดินไปมันได้จังหวะดูหนอห้าครั้งให้มันได้ถ้าได้แล้วท่านทั้งหลายทําอะไรได้หมด <c oughs> เดิหน่อห้าครั้งได้คิกกำหนดได้เลยได้ปัจจุบันธรรมได้สมค่าปรัชนาจะมีสติอยู่ก็จิตตลอดเลยการจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านจิตใจจะไม่ส่งไปอีกจิตใจจะมีแต่ปัญญาทำอะไรก็จะได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนเพาะหน้าได้สมปรารถนาทุบประการนี้เหตุผลเพื่อการกำหนดจิตอย่างนี้เวทนาเราก็กำหนดได้ไม่จชว่าพิกไปที่มาปวดเมื่อยแล้วก็เลิก หลนดใจไม่ได้คนไม่ได้ก็ท่านจะต้องทํากรรมฐานก็ไม่ดุดผลสุดหยุดไม่ได้ประโยชน์ผลิผลกับระการใดไม่มีแลยไม่สบายใจก็กําหนดจิดตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆค่ะเสียใจกําหนดดูใจกําหนดโปรดกาหนดแม่พอใจกําหนดตรงนี้หายได้ผลเนี่ยแต่แล้วเราผู้ปฏิบัติก็ไม่เอาทิ้งไป และการปฏิบัติสิ่งปลิกย่อยนั่นกวปฏิบัติทั้งตาหูจมูกรึงไก่ที่มันจิดเกิดติดติดเกิดทั้งตากําหนดเห็นหนอเกิดทั้งหูเสียงหนอเกิดทั้งจมูกก็เป็นหนอเกิดทั้งลิึนก็ลดหนอะการสัมผัสร้อนหนาวก็กําหนดมาอย่างนี้ได้ผลเนะ่ยเราจะได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของชีวิตแล้วรู้ว่าหนาวร้อนเป็นประการใดจะหนาวหรือจะร้อนก็เห็นได้ นี่สติทั้งปัญญาจะจํากับปุยกระชึกแล้วเราก็ได้ผลคนที่ไปโลกอากาศอย่ามานั่งกรรมฐานนะควบคุมจิตไม่ได้ไม่มีสติเลยก็ทําไม่ได้ต้องราาักษาหายก่อนโลกรคลมโลกเอ่อเลือดลมไม่ดีก็ไม่สามารถจะนั่งกรรมฐานได้ต้องกําหนดให้ได้ก่อนต้องรักษาก่อนภาวะคือความไม่ปกปติก่อนถึงจะได้ผลเนี่ยอนนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญอันจุดการนุ ป, ปัสนา น, นั้นหรือจุดคิดกุ้งสร้าง ถราต้องกำหนดคิดหนอให้มันได้ให้มันได้กำหนดในการคิดคิดออกมาให้มันถูกต้องก็ได้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าทำได้ตามที่ตมากล่าวแล้วได้ผลท่านจะทำอะไรก็มีปัญญาเมารยาท้งด้านกายกายกรรมกรรมทางกายก็ดีกรรมทางวาจาก็พูดดีเรียกว่ากายกรรมสามวาจกรรมสีมโนกรรมสามก็เกิดขึ้น การกระทําความยืดเกิดขึ้นทั้งด้านกาทั้งด้านวาจาได้จุดของเรานนัเอง ห, หรือกฎแห่งกรรมมันจะปรากฏชัดให้แก่ตัวเราโดยชัดเจนเอารมณ์ต่างๆก็มาเข้าสู่เราจะเป็นโกรธไม่พอใจเราก็จะได้กำหนดเราจะได้สร้างกติกาในการโกรธจะไม่ปูกพยาบาทคาบอยเว้นแต่ท่านผูใดใครที่ไหนจะอีกต่อไปมันก็ได้ผลอย่างนี้ความเกลียดความปลูกคาอาคาดความอิจฉาทิ่เสีก็ไม่มีกับเรา <c oughs> มันจะมีสติอยู่ตลอดเลาการอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าการเจริญสัตวธรรมฐานหรือเจริญสติปัฏฐา น, ฐา น, ฐา น, ฐานสี่แนวทางสายเ อ, อื้ของพระพุทธเจ้าจะดำเนบรยุติชีวิต ด, ด, ด, ด้วยความถูกต้องจะทําอะไรก็ทําด้วยความสงบอย่างแน่นอนตั้งใจทำเนี่ยทาด้วยศรัทธาทําด้วยความเคารพทาด้วยจิตสงบทําด้วยความถูกต้องตามคันลองของสติตนี้ยการจะทําอะไรก็ได้ผล กับมีธุรกจุดหรืกับธุระกานีกจะงานจุดผลงาน่ะปุถุชนท่านก็จะเด็ผลออกมาตามธรรมชาติแล้วความโลบความเกิดความหลงที่มีอยู่ในตัวมันก็จะเบาบางขาดกล้าวิกลิ่นถ้เบาบางไปได้ความรอบอยากได้เสียไม่เอาด้วยกระทั่งเจริญกติดีเนี่ยท่านจะรู้ได้ว่าความเฉื่ยสละคุณ็นอยางไอยากจะให้อยากจะช่วยเขานี่ยความเฉื่อยฉลามันก็เกิดขึ้นสันโบกมัดนอนก็เกิดขึ้น ความโลภอยากได้ของเขามันก็ลดน้อยเฉยล้ำฝัไม่อยากได้ของเขาอยากได้ของเราที่ทำมาด้วยความเหนื่อยากทำมาด้วยความลำบากนี้เราก็อยากได้รักษาไว้มีประโยชน์มากแต่ความโลภโดนไม่อยากได้ของคนอื่นไม่เดียดเดยงทรัพย์แต่เราต้องการอยากได้ของที่เรามีอยู่แล้วและก็เจริญรุ่งเรืองแล้วและได้มาด้วยความเหนื่อยยากึลบางพัดน้ำแรงของเราเอง แล้ก็ด้วยสติปัญญาของเราเองไม่เดือไปโกงใครไม่เดือดทุจริตติดจิ้งจังกัดๆอย่างนี้ไม่เดือดถืกกขข อ, อ, อถถว่าความโลภต่ถือว่าการฉันโดยมัดน้อยยินดีของที่มีอยู่และได้มาด้วยมีดีใจที่ได้มาด้วยความเหน่ยากได้มาด้วยกําลังกายกําลังกําลังใจของเราเนั่นเองกําลังทรัพย์ที่จับจ่ายหามาได้อย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> มีความหมายอันนั้นและความโลภความเกิดความโง่ก็อันเดียวกันเรามีเรามีสติดีแนละ้วมันจะไม่โลภ เราจะไม่อยากเบียดเบียนเึื่งกันและกันและเราจะได้ผลออกมาจากกรรมฐานว่าเราจะไม่ทําตนให้เดือดร้อนเราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราจะไม่เบียดเบียนตนและจะไม่เบียดเบียนคนอื่นขเขาจะทําตนเพื่เป็นกลางเสมอเราจะได้มีกติกาสัมปชัญญะเสมอเลยนี่แหละเหตุผลของกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> นี่เราก็นอนหลับสบายทําอะไรก็มีความุบไม่มีความทุขกข์กับการใดคนที่มาว่าที่นี่จะปัญหา ปัญหามาให้เยอะหมดปัญหาพลกพล่อนคลายอารมณ์ไม่มีเลยก็ไม่ได้เจริญกรรมาถามทําไมไม่เจริญกรรมาถานก็ไม่รู้เรื่องไฟจาถั่วยจะพึ่แต่เขาเหล่านั้นไม่สวดตัวเองถ้าท่านเจริญกรรมาถานท่านจะเกิดแสงสว่างในปัญญาจาแะแก้ไขปัญหาชีวิตได้บำบัดทุกข์ของท่านได้แต่เราก็ไม่เจริญกรรมาถานดังที่รมาสอน ไปเอาบทความมาจากไหนก็ไม่รู้อายนอนความบัวไม่ทันหายอความตายก็มาแทะโกรธโกลนอ้นว่าัวานี้ตลอดรายการไหนเลยได้จะได้ผลจากการเจริญกรรมาฐานละแต่จะมาด่าอะไรเป็นซ้มเป็นอันเป็นขาดเป็นส่วนหน้าซึนาที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได่ไหนมาปฏิบัติกรรมาฐานทั้งทีก็ไม่มีดีติดตัวไปได้และไม่สามารถจะสร้างความดีให้ใครขาใดและถ่าจะมีดีประการใด แต่มาตราโมทย์แล้วเนี่ยหนุ่มโคทังตวาสุขังเสติสุสสสติการฆ่าความโรกรธเนี่ยมันมีความสุขความประก า, ารเจริญอย่างไรจะได้อธิบายการุดการเจริญกรรมฐานที่จะรูวกความโกรธจะฆ่ามันตรงไหนจะแก้ไขปัญหาประการใดไม่ใช่ว่าฆ่าไม่โกรธฆ่าไม่โกรธอยู่เฉยเฉยมาเป็นไปไม่ได้ฆ่าไม่ฆ่าฆ่าสตืไม่มีกรรมาฐานไม่มีกติแล้วมันก็ตรวตลอดปลายแขนปูกพยาบาท ข่าจะยเว้นอิจฉาริษยาตลอดไปด้วยคนตะแพทอิจฉาริษยานั้นเอาดูไม่ได้ทำมาคืนไม่ขึ้นก็เพื่อไม่มีความสุขลูกเอาดูไม่ได้เลยและลูกก็ไม่สามารถคีอตองดองถ้าเราอิจฉานิษยาเข้าปลูกพยาบาลข้าพีาิณขาถ้าไปมีบุตรที่ดาลูกก็แตกคอกันไม่สามารถคีกันงี่โคเทงกรรมก็ข อ, ขอจเจริญพรฝากไว้ชัดเจนพ่อแม่ไม่เอาไหนลูกมันจะไปเอาไหนเล่า ถ้าพ่อแม่ปืูกความโกรธสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำแถมมีสาลิษยาพี่น้องอีกรับรองลูกมันจะแตกคอกันจะไม่ตองดองจะไม่สามเมาขีกันแน่นอนที่สุดเต็นกฎแห่งกรรมสร้างความไม่ดีให้กระลูกชัดเจนจะทํทามไม่ถูกจัดหลานเมื่อหลานจะได้ดีได้อย่างไรลูกก็เอาดีไม่ได้นี่แหละโค้ดทงางตะวันตกถึงเ ส, ส, งสติิ์เต็มกฎหาความโกรธเพิ่งจะอยู่ความสุขจะมีความสุขแล้วจะฆ่ามันทีงไหน ถจะฆ่าเดงายฆ่าท่านไม่เจริญกรรมฐานไม่มีการกําหนดตุดตั้งพระสุขถ้าจะฆ่าความปวดไม่ได้ถ้าจะฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองให้มันตายฆ่าตัวตายอย่างนี้แต่ก่อนพระเบาจ迦จึงสอนหน้าสอนหนาฆ่าความโปวดอย่างไรก็ฆ่ากันไม่ได้เอาความโปวดไว้ในจิตใจกว่าโปรดไว้ให้ให้อให้อล้มเคยฆ่าลมค้าง แต่นี่นี่กรรม า, านในเวลาโกรธตำนวจว่าโกรธหนอะโกรธเนอนี่ตรงนี้เป็นการฆ่าความโกรธโกรธเนอให้ใจยาวถ้าสมาธิดีฉันจะหาโกรธแต่ท่านผู้ปฏิบัติไม่เคยกําหนดมีแกาทะเลาะการมาปฏิบัติที่นี่มาทะเลาะกันที่นี่กับมือแล้วกลับไปบ้านแมวโทรกลับมาบอกทะเลาะกับน้องทะเกับตัวทะเลากับเมียก็เกร า, เ า, าตั้งสติไว้จะไปทะเลาะเขาทขําไมฆ่ามันให้มันตายใช่ไหมอยากลืมความโกรธอารมณ์ขัน ท่านอารมณ์ค้างสามูระยาทะเลาะ ก, ก่างท่งางกับประชาชนจะเกินจะไม่หยุดถอนอารมณ์ค้างไปแนละ้วท่านจะไปพิรั ก, กจิตจะติดต่อ ง, งานจะไม่สําเร็จอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เลวอารมณ์กลมดูตลอดเหมือนไฟถงผอนทําให้จิตท่านได้ล้อนลนทนไม่ไหวตลอดเลยการไหนเลยเนาะชีวิตกระแจนใสกระยืกเดือดลงไปแล้วการจเจริญกรรมาฐานต้องการให้ใจเย็น ใจสบายายเป็นปกติแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่หยุดขันจะไม่ผูกพยาบายข้าพิเวณแต่ท่านผู้ใดต่อไปแล้วนี่ตรงนี้สังขัดแต่เราก็ยังไม่ทำกันได้ทิ้งหากว่าทา่านโกรธแต่อยากโกรธให้นานถึงจะโกรธก็ไม่ค้างคืนเดี๋ยวก็หายไปขอให้กาหนดว่าโกรธหนอได้ไหมไม่มีเลยกาหนดโกรธหนอโกรธหนอ กูจะหายโกรธนึงหนอะพอนึกถึงไอ้เรื่ยงบาบาบบๆไปเนิบึงเรื่องบาบาบบอไอ้คนที่โกรธเนี่ยมันนึกถึงเรื่องบาบาบบอถ้าคนโกรธเขาเนี่ยถ้านึกถึงความดีของเขาสักนิดนึงว่เขาเคยให้ข้าวเรรับทานเขาเคยส่งลูกเราเรียนหนังสือเขาเคยช่วยเรานึกตรงนี้สปเนึกถึงดีเขาเห็นถ้าเนึกดีได้เราจะไม่โกรธึ้นเลยเนี่ยตรงนี้เป็นการฆ่า เอาความดีเข้าไปแก้กลับลายใจดีใช่หรือไมเขาลายมาผ่าลายกอะท่านจะประกอบอันใด เ, เนื้อนี่นสร ม, มาฐานเขาลายมาอย่าลายตอบเขาโกรธมานยเขาไม่ดีมาจงเอาความดีเข้าไปแก้ไขค้นต็หนีให้ของที่ต้องใจค้นพูดเหลวไหลใช้ความจริงเข้าไปถหนาถึงจะได้ผลเขาเหลวไหลมาเราก็ไหลเหลวไป ต่างโคนต่างเหลวหลายไปขึ้นห้วยลุงเขาขึ้นห้วยลุงเขาคนมีประเพณีเยอะมันมีความปรุงใจแต่บริการด้นไหนเลยทนะ้านจะฆ่าความโกรธหมดอะไรแต่อยา่างการเจริญกรรมาฐานนะ่ะเป็นการขัดก้ะดิเกลีไม่ให้โกรธถึงจะโกรธก็ไม่ยถึงแค่เกลีดไม่เกลีดฉันจะไม่ปูกพยาบาค่าพยาเวนก่อท่านฟูได้อีกต่อไปนะี้จะสะต๊อปลงได้ง่ะทาเราโกรธเขา ห้างคืนไว้เช้าท่านจะทํางานไม่ได้ถ้าเป็นนักการท่านจะเสียหมดถ้าเป็นผู้พือภาษาเนี่ยขอประทานโทษที่เขามาเล่าให้กมาฟังจ่าเต็มตุกคุกวันนะครับไม่มีมีอให้อภัยโทษแต่ประการใดทะเลาะก็เมียตายเมียนี่เขาว่าแล้วลื่นจรงผู้ภาษาเขาเล่าให้กมาฟังต่อพ่อที่แม่ผมไม่มาเข้ากรรมฐานผมไม่รู้หรอกทะเลาะกับพันยาภรนยาผมเป็นครูด่าตึงเพราะ เวลาชาวผมก็โมโหไปวันนั้นตัดถึงเลยควรจะรอลงอาญาสามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดือนไปคุก ม, มาทุกคนวันไหนอารมณ์ดูสวดมนต์ไหว้พระมาวันนั้นตัดถึงให้รอการลงอาญะไม่เคยมีความผิดมาเจอก่อนเนี่ยรอลงอาญาสองปีมั้หนึ่งปีบะออกเหล็กมาอย่างนี้กันก่อนอขอความหมายความโปรดน้สําคัญมาก แต่บางคนเนี่ยบุบ่ายปาู้บุยบ่ายเขาไล่มาเราเอาความดีไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้ถ้าเรามีสติสักนิดหนึ่งก็จะเลยรู้ว่าคนนี้เขามีประโยชน์กับรเราไหมเราเน้นถึงความดีกันถ้าเรามีปฏิบัติกรรมฐานได้จะเน้นถึงความดีสเสมอจะไม่เน้นถึงความทั่วของท่านผู้ใดคนเราเนี่ยขอเจริญพรมีทั้งดีทั้งทั่วดีกันทุกคนไม่ว่าท่านผูดาย มีความชั่ว์อะไรเลยอย่ามีความดีของเขาก็ดูความดีอยา่าไปดูความชั่วของเขาสา ม, มารถจะหายโกรธได้หายโกรธได้โยนี้ทีนี่เพราะว่าการความโกรธนี่เรามีกรรมฐานจะแก้ได้ถ้าเราไม่ไปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องพูดกันเลยไม่รู้ว่าความโกรธเป็นยังไงคือคือคขัดข้องทางอารมณ์มันเป็นประการใดแล้วก็การปฏิโยมทำลายความโกรธก็คือกําหนโดนโกรธเนอโกรธหนอโกรธหนอ น, นั่นเอง เราแผ่เมตตาให้เพื่อแผ่ไม่ออกมาเป็นศัตรูกับเราแผ่เมตตาให้เขามีความสุขให้มีความสุขนึกถึงไอ้เรื่องสุขๆของเขากับเราแท่ให้เขาชิบหายวายวอดไปเลย น, นี่เห็นไหมนึกถึงความดีจะไปแย่เขาได้ยังไงนี่แหละยิ่งได้ความสุขเป็นที่ทราบตามทั่วาปสําสหรับนึกถึงความดีดต่นงยอดตากนาของมนุษย์คือความสุขซึข่งมีผลสื็เนื่องมาจาก จิตใจกุศลทึ้งกําหนดจิตใจให้ได้ทาใจให้สาบายทําใจสงกประกอบตรีสูนีตรอปัญญาเยือกเย็นกรรมฐานทําใจให้หยัดเย็ น, ยย น, น, ใใยนปลอดโปร่งแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่คอยทําลายความสุขนั้นให้สูญเสียไปนั่นคือความโกรธทําลายให้เราเสียหายตลอดเลยการท่านนักกรรมฐานทั้งหลายโกรดพิจารณาคน ถ้าท่านเจริญกรรมาฐานท่านจะถักยเท้าเกลียดอันนี้ไปยิ่งท่ายิ่งได้บุญยิ่งทำลายยิ่งได้มีความทุขทาลายได้มากกว่าความสุขเกิดขึ้นมาก <c oughs> อันหนึ่งโลกเราที่ปั่นป่วนยุ่องอยากตลอดมาทุกดุกทุกข์ขนาดอ่ออาสายความโกรธมีส่วนเข้าประกอบด้วยเช่นเดียวกันข้ะการค้นคว้าหาวิธีฆ่าความโกรธจึงเป็นหนทางที่ดีมากคือการเจริญกรรมาฐาน ตั้งสติไว้ทุก อ, อริบทัางสติไวหวปวดหนอเสียายหนอไม่สบายกายหนอเป็นต้อนที่ดีมากเป็นวิถีที่ดีที่สดุดแล้วเนี่เมื่อมีกรรมาที่มีสติดีจะไปโกรธจะไปเสียแข็งเขาทําไมติดขาริษยาทําไมเล่าไม่จําเป็นคลรวาา่าพรกออกไปอย่างนี้ก็จะใช้ด่าหรือ <c oughs> มันมีในดีเลยอขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละ <c oughs> ถึงเป็นหนทางที่ดีมากทางกรรมฐาน ถ้าเราไม่มีกรรมฐานา ม, มีการกําหนดการสติแล้วท่านจะแก้ไขไม่ได้ต้นเราปล่อยให้เรา <c oughs> ปล่อยให้เราโกรธข้ามามากแล้วโกรธสำคัญมากคราวนี้เราควรปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐ า, าม <c oughs> <c oughs> เนเรื่องรงกลมคนที่ปฏิบัติแตกําหนดไม่ได้ก็มื่อเลิกก็ใช้ไม่ได้จิตร้อน ร <c oughs> ้อนลนปล่อยโกรธตลอดไปแถมปลูกพยาบาทค่าพยาเวนอยู่มองไม่มองหน้าไปเลยปราดจากแม่ตามมาต่ารามีแม่ตาด้วยกรรมาฐานเนี่ยท่านจะไม่เคยโกรธคนแต่มีแต่สงสารคนที่ทำชั่วกองการใจเขาเป็นคนดีูจะมีวิธียังไงบ้างราวว่าเราควรปฏิบัติ เกียกับการฆ่าความโกรธหรือทําลายความโกรธด้วยขัดเกล่าั้นต้องเจริญกรรมฐานาอย่างนี้แล้วก็ อ, อยู่เย็นใจสุขกันยึีคือ ท, ทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นเองจะมีประโยชน์มากต่าทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรก็คือการเจริญสี่ประฐานตีเป็นต้นเพื่อเข้าใจง่ายๆขอตั้งเป็นประเด็นตามลํำดับว่าความโกรธคืออะไร บางคนโยมก็รู้เหมือนกันแต่ก็จะต้อที่บายให้โยมฟังความโปรดคื อ, อไรความโปรดเกิดจากอะไรความโปรดให้โทษอย่างไรวิธีฆ่าความโปรดจะทําอย่างไรและเมื่อฆ่าความโปรดได้แล้วเป็นถูกอย่างไรจะได้อธิบายต่อไปเป็นข้อๆถ้าท่านมีความเข้าใจเรืร่องกรรมฐานความหมายของความโปรดนั้นเป็นอย่างไร ความโกรธคืออาการที่ใจขุ่นเคืองใจมันขุนใจมันเคืองใจเล่าร้อนข้าใจคล่องคลายมีอาการเช่นนี้นะปรากฏขึ้นแล้วับเพิ่งทราบเหตุว่านี่แหละคือความโกรธควรระวังเพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความผู้น้าในการต่อไปก็ความโกรธนี้เกิดจากอะไรเล่าความนี้เกิดจากอะไรเล่า ก็เสดลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบเกิดจากความไม่ชอบที่เรียกตามกับบาลีว่าอละตุความไม่ชอบเป็นเหตุให้เกิดความสะเทียนใจหรือความขัดใจที่เรียกว่าปฏทิคะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นกลุ่มเคืองคือโกรธต่อจากโกรธก็เข้าเทโทสะเป็นลาดับไป ในเมื่อปลูกพยาบาทจะขึ้นต่อจากความโกรธก็เข้าฟูกโศกสะคือคิดทำร้ายถ้าทำร้ายไม่สำเร็จหรือยังไม่หายแทนก็ปลูกพยาบาทไว้ในใจแต่ต้องพยายามพยาบาทมันตอบปไว้ก่อนในจิตนี่เนี่ยทั้นตอหลายเอ๋ยเกิดมาเป็นขั้นตอนอย่างท่อของความโกรธ ส่วนข้อของความปรดลราก็มีมากมายเบื้องแรกจะทำให้ใจคุณเราร้อนป่วนปันปันป่วนเมืดมัวพาความรู้จากรับผิดชอบทั่วดีนทำให้ลืมตัวนะ่ะมองไม่เห็นคุกตรางมองไม่เห็นนรกผิวผ่นเ้าหมองหมดกาาลาสีไม่มีความสวยงาม ที่ลุยาถ่าพานบุรา้ายคละกลายเป็นยักษ์เป็นมารก <c oughs> ลายเป็นยักษ์เป็นมารวาจาหยาบคายหน้าเกลียดหน้ากลัวผี่ลึกจริงๆในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่เด็กกำหนดจุดในประกรมาฐานท่านจะเป็นอย่างนี้เหรอขาดการกำหนด ยิงลอดหึงหลางก็เกิดขึ้นก็ปูกเข้าไว้ในจิตใจกลายเป็นคนยักษ์มารปูกความเจ็บใจต่อไปแต่จะมีอบาปอยู่ในใจตลอดชีวิตนี่แหละในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ไม่กํกาหนดกรรมฐานระงับไม่ได้ความเกิดก็จะทวีความรุนแรงยิ่งเข่อนถึงกับบูม่าทุบตีฆ่าฟันกันใช่หรือไม่ ผลที่สุดก็คือตารางหรือมีถน่ดก็กลายเป็นสอบดังตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ค้วนในสังคมของคนไทยดังที่กล่าวแล้วด้ือค่าความโกรธนั้นก็ไม่ยากมีการเจริญกรรมาฐานค่าทุกวันกาหนดทุกวันมีโกรธก็กาหนดค่าความโกรธทุกวันมีอะไรก็กาหนดทำใจสบายนี่ถึงจะถูกต้อง ส่วนประเด็นที่ว่าดวยวิธีค่าความโกรดนั้นอธิบายง่ายๆแบ่งออกเป็นสองคือวิธีการและวิธีแก้วิธีป้องกันและวิธีแก่ขั้นแรกเมื่อโกรธยังไม่เกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนด้วยการหัดมองทุกอย่างในแง่ดีมองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่ล้าย การปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรั้วกัน้นกันความโกรธไว้ในชั้นแรกอย่าไปมองเขาในคนทั่วหลายมองในแง่ดีกับเราบ้างล้อมรั้วกั้นความโกรธให้ง่ายๆคำกโกตรวกหนออคนนี้เขามีดีกับเราก็เคยให้ข่ารับทานเข้านี้เองทารั้กั้นไวก่อนท่านจะได้ผล กามองคนในแง่ร้ายเฉยไม่ได้มองคนใแง่ดีจะประการใดเลยดังเลี่องหลวงพ่อดีอาตมาเคยเล่าให้เด็กเด็กฟังม่อยู่ว่าชมหลวงพ่อดีดีเนาะดีนอกดีนายดีเนา ะ, น, ะ, น, ะน้องพ่อผมไปต้อนเขาได้งเงินแล้วก็ไปต้อนเขาก็จับติดคุกเออติดคุกก็ดีเนาะไปต้อนดีไม่หลวพ่อดีเนาะดีหมดนี่เคยเล่าเด็กฟัง เรื่องหลวพ่อดีนี่จะย่อให้ฟกาซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดนี่หลวงพ่อดีได้ผลลองท่านไปใช้บางทีหลวงพ่อดีไม่เคยดุด่าว่าใครไม่เคยดุไม่เคยด่ไยดาไม่เคยว่าไม่ไม่ว่าใครและท่านมักพูดถิดปากอยู่เสมอว่าดีเนาะพระองนี้เป็นยังไงไม่กวาดวัดไม่เอาไหนเลยหลวงพ่อเลยโอ้ไม่กวาดก็ดี หลวงพ่อพระองค์นี้กีนแล้วก็นอนเออนอนก็ดีนอนก็ดีหงพ่อพระองค์นี้ก็ไม่เอาไหนเออมันไม่เอาไหนมันดีดีแล้วพระองค์นี้กวาดมากไปแล้วมันไม่ดีหลวงพ่อนะกวาดมากไปไม่ดีแลเออม่กวาดีกว่าไอคนนอนดีเนาะดีเนาะองค์นี้ขันเยอะหลวงพ่อกับข้าวจะไม่พอพระเออขันมากดีเนาะกันเลยอาหารดีดีหมด องค์นี้กิแล้วไม่ทําไม่ทําวัดขาแล้วไม่ลงทําวัดไม่ทำมาล้างดีไม่ลงพ่อดีไม่ทําดีมันจะได้ไม่เหนืไม่ต้องไปสวดมนต์หรอกดีไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เมื่อยไมล้าองค์นี้คือเกียดกวาวัดแล้วหลวงพ่อน่ะไม่เป็นไรไม่ขวาดดีมันไม่เปลือบื้อนแล้วก็มาองค์นี้มันเอาขยะมาทิ้งก็ไม่กว่าดนี่หลวงพ่อเป็นไงดีเกลือบเปลื้อนดีนี่ดีไปหมดไม่มีทั่วหายากนะ ดีเนาะดีหมดองนี้ไม่เอาไหนเลยหลวงพ่อเออไม่เอาไหนมันก็ดีไม่มีชั่วเลยไม่ต้องมีเรื่องกันเลยชาทั้งวัดดีหมดเลยกินนอนก็ดีหมดไอ้องตสวดมน์ก็ดีไอ้องนอนก็ดีนอนดีไอ้สี่เขาลงบอด ก, กันออกได้ไหมลงเขานอนได้ไหมหลวงพ่อเอนนอนก็ดีมันจะได้พักผ่อนร่างกายพักผ่อนร่างกายกลางวันจะได้ไปเที่ยว ดีไม่เสียหายดีมากหลวงพ่อองค์นั้นทะเลาะ ก, กันเออดีทะเลาะ ก, กันยิงปืนถูกอย่างนี้เั็นต้นอย่างต่างหลายเออดีนอกจนใครๆพาการขนานนามว่าหลองพ่อดีเนยกตัวอย่างวันหนึ่งท่านไปในตึกในมลบังเอิญถูกฝนในระหว่างทางมีผู้พบเข้าจึงชัดขึ้นว่าหลวงพ่อเปียกฝนหมดแล้วตอนตอบว่างายเปียกโอ้ดี เปียผลน่ะดีดีนะไม่มีอเอาไหน่ะที่ว่าเปียก็ดีร้องพอเลยเออเปียก็ดีนอทายนั้นก็ไม่พอใจกัดพ่อท่านว่าร้องพอ่อเปียกดียังไงเนี้ยดียังไงมันจะเป็นดียังไงได้หรอเนี้มันจะดีไม่ได้แล้วหลวงพ่อนะเออไม่เป็นไรเปียกมันก็ดีนอทายนั้นไม่พอใจก็ตัดพ่อท่านว่า อหลวงพ่อนี่อาจะบ้าเรื่องไงอาจะบ้าเออท่านก็กราบยินตอบว่าเออบ้าก็ดีบ้าก็ดีเป็นอันว่าเรื่องของเรื่องนี้ก็ที่สุดลงเพียงแค่นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อท่านเสกคาถาป้องกันไว้แล้วคำว่าของคำว่าของชายแล้วก็หมดฤทก ชายคนนั้นก็หมดฤทธิ์ความโปรดก็ไม่สามารถลุกล้ำลุกลามเข้าไปต้นหัวกจท่านได้อย่างหนึ่งท่านกับราณนาทิงตอนที่ว่าอาราวกกระยัแตแผลงฤทธิ์ต่างๆเพื่อผพะโจนชพุทธะโดยในละมิตรเป็นลมกรดบักฝนอาวุธบักตลอดจนครั้งสุดท้ายควางพาโพคือะาไปหมายเผด็จศึก แต่อาวุธลายเหล่านั้นลกลายเป็นเครื่องส ก, การละบูชาไปหมดอลาวะกะยักษ์ก็เลยสิ้นฤทธิ์เพราะอำนาจคัสตรและเมตตาซึ่งเหมือนหนึ่งน้ำที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ไปคือเมตตาไม่ประมาคล้ายไรกําลังลุกถ้าน้ำนั้นดับเสียไฟก็จะสงบลงได้โดยกับลันแต่ข้อสำคัญกลับไปใช่น้ามันการเสีย ใช้น้ำมันการเสียหมดเจงได้ผลตรากฏเป็นเถาเข้าฐานดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันใช้น้ำมันมันก็ลูกลามแก้ความแก้โกรธ ด, ด้วยปัญญาต้องการเจริญรกรรมฐานต้องใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาความโกรธทั้งสองเรื่องที่แสดงมานี้เป็นตัวอย่างแผนการต่อต้านความโกรธในขั้นแรกหากท่านนี้ยังรับไวไม่ได้อยู่ก็เจริญกรรมาฐานไปเรื่อย อำ น, นดจจิตไปเรื่อยๆจนคุ้นเคยในความดีของเราแรงก็สามารถจะยับยั้งจังสิตมีสติปัญญาไดา้ความโกรธยังมีกำลังเล็ดลอดเข้าไปได้บ้างก็เล็กน้อยตอนนี้ต้องใช้แผนการขั้นสองคือแก้โดยการไขส่วนด้วยปัญญาจเจริญส ม, มาธิกรมาฐานไขครวนโดนุโสมนาฬิกาเคลียบอารมณ์เนีย ทำอารมณ์ให้เย็นตั้งสติไว้ให้ได้เรียกําหนดว่าโกรธเนอโกรธเนอเครียบอารมณ์ทาอารมณ์ให้เย็นลงไปพอหายใจยาวๆเข้าอารมณ์ก็เย็นเครียบอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลพิจารณาถึงโทษของความโกรธจาเดินถ้าทาให้ใจรื้อผลเล่าร้อนกระวนกระวายเสียความสุขภาพหมดสเสน่มหานยม ก่อการทะเลาะวิวาทแลกวามพินาศอื่นอื่นอีกนับไม่ถว้วนหรือจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าความโกรธเคยให้คุณประโยชน์อะไรบ้างลองค้นไปเถิดจะไม่พบเลยจะไม่พบแน่นอนไม่มีคุณประโยชน์แกเราเลยม่แต่จะให้โทษอย่างเดียวเท่านั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะโกรธไปทำไมล่ะ เสียวเวลาเปล่ารวมความว่าเมื่อได้นำสติปัญญาเข้าไปช่วยแรงเพื่อการเจริญสกรรมฐ า, านทุกนินาพิทธุกลมหายใจเข้าออกแล้วนะ่ะใจที่ขุนเคื้องก็จะกลับเป็นปกติอย่างที่ทะเวทสันดรโบรมโพธิสัตว์เจ้าตรงปฏิบัติมาสมัยที่จะทับอยู่ที่เขาวงกตป่าหิมาภาน นอนผูกพรมขอสองกุ ม, มานได้แล้วแต่เขี่ยนตีอย่างทารุมที่สุดอันเป็นภาพสะเทือนพระไทยอย่างรุนแรงรงดมีว่าข้าพราหมณ์เสียหนี้เกิดจากอะไรแต่เดชะบารมีที่ขณะนั้นพระปรีชาปัญญากลับบังเกิดขึ้นทันทีพระบลมลาเฉลิสเวิดฉันดอนเินยังยังย่งไทยวชิเด จึงแต่งพละนาความตอนนี้ไว้อย่างเพราะว่าเสมือนหนึ่งปลานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสใสในที่นี้หมายถึงเครื่องเครื่องเอดักปลาชนิหนึ่งใสบรรดาปลาจะเท่าไปให้แต่ละตัวเราผู้ทํำฌามเสมือนตัวปลาถ้าพธทีานในภายทักหน้านั่นต่อไปได้ มีความหมายอย่างนี้เป็นตน้นดังเรื่องหลวงข้อดีซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดไม่เคยดูด่าว่าใครจะประการใดก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นจใจมนการปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นตน้นมีความหมายเพราะฉะนั้นพระเวชนดอนรับบระโพธิสัตว์นี้นะ่ะท่านก็โกรธเหมือนกันมาตีปลาหน้าช้ เกิดขึ้นโดยของกุ ม, มารเป็นพลูกปราจนของลาแก้วตาทั้งสองให้พระตะทานเป็นทานไปแล้วก็ยังโกรธพอนึกใช้ปัญญาพระกรรมฐ า, านภาวนาแล้วก็ได้ตัดใจไนดะ้ไม่โกรธตอนนี้เป็นเลี่ยงนะก็คือหลวงพ่อดีตีชาชานสามารถนี่เนื้อยางพระเวสสนดรเลี่ยงถือใจกาญนาจะเข้าไปจิงยบพลูกให้เป็นทานบารมี ถ้าลูกรักทังสองเสือดังกระแสชิงพรามละมาดมินมาดาตีเหมือนกระทุ่มวาลีให้ตาติ่มแตตอนหนึ่งหลานจากที่พระองค์ทรงดำนิจะฆ่าพราบแต่พระปัญญาญาเกิดขึ้นมาช่วยไว้ทันนั่นคือกรรมาฐานท่านฉันละนาไวดีว่าเท้าเธอก็ต่างสมาธิระงับใช้ปัญญาใช้สมาธิ และนับดับพระวูโยกลรานพระโศกสงบแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วเจ็มใสดุจทองอุไลทั้งแท่อันบุคคลได้แรงหงรอได้รอแล้วมาวางไว้ในพระอสมต่างแต่จะเชยชมพระปิยบุตรภ า, านบารมีนี่คือตัวอย่าง แก้โกรธด้วยวิธีใช้ปัญญาด้วยกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นปัญญาที่แก้โกรธได้ชัดเจนและดีที่สุดแก้ความโกรธด้วยการเคลือบอารมณ์ดังกล่าวแล้วทุกประการออีกย่างหนึ่งความโกรธจะทําให้เกิดการระคายเคืองในใจเปรียบกเหมือนผงเข้าตาถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีเคลือบอารมณ์คล้ายกับเรื่องของหอยทะเลบางชนิด ที่เล่ากันมาว่าเวลามันกินอาหารบังเอิญมีตรวจทรายพลัดเข้าไปในปากตัวทรายนั้นจะก่อความระคายเคืองอวัยวะบางส่วนของหอยนั้นเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นธรรมชาติจึงขับน้ําทนยาชนิดหนึ่งออกมาเคลียบปรวจทรายนั้นหายระคายเคืองนี่เองนะคือที่มาของไขมุกซึ่งมีค่าสูงมาก ความจริงว่าถึงปลวกชายก็ดีหรือน้ำยาในตัวหอยก็ดีไม่มีข่างวดอลันแต่เมื่อมาผสมกันได้ส่วนขูกใจของผู้ต้องการแล้วก ล, ลายเป็นของดีมีค่าไปได้อารมณ์คือเลี่ยงต่างๆที่บางคนเห็นว่ารุนแรงและเผ็ดร้อนและเผ็ดร้อนหากจะได้ใช้ชิวิธีเครือบเสีย บ, บ้างอย่างหอยมุกบัก โดยการตั้งสตรทุกเวลาความยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆดังที่ลำบากด่ทั่วไปนั้นก็จะไม่มีขึ้นได้เลยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจึงขอนำให้ท่านรู้จักตับสเสพละลูกหนึ่งชื่อว่าพรบปุณนะคลั้งช่น่นดินชั่นเข้าไปคูนพระพุทธเจ้าเพื่อเดินทางไปเมืองสุงนาบาลันตะพระบรมศาสดาท้วงว่าชาวเมืองนั้นดุร้ายมาก เธอไปแล้วอาจจะมีอันตรายได้ท่านภูมิว่าข้าพระองค์เตรียมเครื่องป้องกันไว้แล้วไปสุข้าะแว่าถ้าไปแล้วถูกชาวเมืองพากันด่าเธอจะทำอย่างไรภูมิว่าข้าพระองค์จะคิดว่าเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีแต่ว่าเขาตีล่ะภูมิว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าเขาข่า จากทักตอไปอว่าถ้าเขาฆ่าราจะทําอย่างไรภูมิว่าถึงการ น, นั้นข้าพระองค์ก็ยังภูมใจว่ายังดีกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสมเด็จขจตายบรมศรัตดาโลกนาฏประจทานสาธุการว่าดีแล้วก็เชิญนั่นเธอไปได้เถิดปลอดภัยแล้วทุกประการตามตัวอย่างนี้ถ้าเราจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม กับเหตุการณ์ก็จะเกิดประโยชน์มาทีเดียวสมมติว่าคนใช้ทำถ้วยแก้วแต่ท่านที่เป็นนายแต่ยอมเป็นท้าทงความโกรธก็จะเกิดใจเป็นชิดขึ้นมาทันทีหน้าตาจะบูดเบิงหน้าเพลียดหน้าทางแล้วก็ค่นชิดออกมาเป็นคําดุด่าว่าจ้าหยาบคายนับระการ ถ้าโกรธก็กำเริบ ม, มากก็จะทำให้ถึงกับลงโทษการจิงการอย่างทั้งนี้ถ้าเราจะคิดเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นเพื่ออารมณ์โดยคิดว่าช่างเถิดช่างเถิดของมันแตกได้ถึงตัวเราไม่ชาก็ต้องแตกทำลายไปเหมือนกันหรือจะคิดว่าเราก็เคยทำแตกอย่างนี้เหมือนกันมาอันนี้ก็เป็นเครื่อเพียออารมณ์เหมือนกันเ่อให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจความเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ต่อไปได้ อย่างสมปราถนาทุกประการเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้กันทั้งหลายฟังว่าการเป็นอยู่ก็ดีการที่ทําหน้าที่ในการเป็นอยู่ก็ดีเพราะฉะนั้นหลักวิธีการไม่มีลายดีเข้ากับเจริญกรรมาฐานเราจะได้รู้เหตุการณ์ทุกขจัตดาสามารถจะแก้ไขตัวเองได้สมปราธนาก็ได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายสมปราธนาทุกประการ อาตมาก็ที้แกงมาก็พอสมควรแต่เวลาแล้วพรหมทนาสารุการจะพูดเจริญตะก ร, รมฐานปฏิบัติธรรมไม่มีลายมืแก่กรรมฐานเจริญสติฐานสี่นีแก้ปัญหาได้สามา่อจะฆ่าความโกรธของเราออกจากจิตใจได้ทำไม่ใจกรดไม่คุนคว้างและแทนเป็นการผูกพยาบาข่าพิเวรณต่อกันและกันมิตเมตตา ลามีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกันมีแต่ให้มีแต่ช่วยมีแต่พูดจาเพราะมีแับพู้จาเหมาะเกาะแก้ไขปัญหาอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขตลอดการเวลาไม่มีการอยู่รอนนอนทุกข์หรืออยู่ด้วยการทะเลาะวิวาทกันดูด้วยความสันติไม่มีวิวาทกันมีแต่สามัคคีธรรมนำสามีสุขโดยทั่วนากันขอทุกท่านที่มาเจริญธรรมาฐานตรงเจริญ ง, ง้อางามไพบูรณ์ในตพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จประจํามาทั้งเดือเจ้าเดือดชั่วน้ากันเดีย๋ยวขอทุกท่านจงกระเริยนไป ด, ด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิภานธนาสารสมบัติ